บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของมานะที่แปลความถือตัวเป็นกิเลสประเภทต่างๆคือมีทั้งหยาบทั้งกลางและทัละเอียดอาการที่หยาบก็คือการดูหมิ่นคนอื่น การยกตนข่มคนอื่นจนถึงการแข่งดีกับบุคคลอื่นอาการที่เป็นกลางกลงก็เป็นเรื่องความรู้สึกอยู่ภายในแต่ไม่ถึงกับแสดงอาการออกมาภายนอกและเรียกในระดับของอุปกิเลสคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำจิตใจของบุคคลให้ขุ่นม่สศมองไปเช่นเดียวกับพวกกลุ่มกิเลสเหล่านั้น ในส่วนของละเอียดเป็นอาการที่ท่านเรียกว่าอนุสัยคือนอนสงบอยู่ภายในใจบ้างเป็นอาการที่เรียกว่าสังยน์คือเกิดขึ้นคล้องใจสัตว์บ้างตามปกติแล้วมาณะระดับนี้ถ้าไม่มีอะไรกระแทกรุนแรงมาจากข้างนอกอาการมันก็ไม่ออกมา คนตั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ข, องข้าผ่าสมาคมกับท่านเหล่านั้นก็จะไม่มีความรู้สึกว่าท่านมีมานะและมานานั่นเองก็จะจางลงไปโดยลำลับดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเรียงตามหลักของสังโยชน์ทั้งสิบประการที่กล่าวมาแล้วไระยบุคคลสามจำพวกแรกคือปโสดาพระสกีตาคาและพระนาคา ถ้าก็ยังมีมานะอยู่แต่เป็นมานะที่อกุศลเจือจางไม่มากแต่กลับมีกุศลควบคุมเอาไว้ก็ไม่แสดงอาการออกมาจะมีคำสอนระดับหนึ่งซึ่งเป็นอาการของมานะแต่เป็นคำสอนระดับศีลธรรมจัญญาเป็นการเน้นให้เกิดตรหนักหรือสำนึก ที่จะปฏิบัติภารกิจของตนให้เหมาะสมแก่สถานะที่ตนเป็นคือหมายความว่าคงมีความรู้สึกด้วยอำนาจของ mana ด้วยชิติว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวเป็นตนของเราจูก็เป็นเรื่องของระดับศีลธรรมจริยธแต่ปัญหาว่าต้องพยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็น โดยมีหลักอยู่ที่การมายึดมั่นในความเป็นในกรณีที่กระทบอารมณ์จากข้างนอกแต่การปฏิบัติตนของบุคคลนั้นๆก็จะเกิดสำนึกถึงความเป็นของตนเชนท่านเรียงประโยคบาลีว่าคาติโยหังอิติมาโ น, านะวณาวรรเป็นกษัตร คอยเกิดัติยะมานะที่จะประพฤติจะกระทำงานด้านต่างๆเนื้อกว่าสามัญชนแต่เราจะเห็นว่าในทศพิตราชธรรมเป็นธรรมะเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์นั้นมีตะปะคือความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกล้าแล้วก็มีขันติ ความอดกลั้นความอดทน ม, มีอวิโรธนะคือไม่ปฏิบัติให้ผิดไปจากจจรี่ทํานองครองธรรมคตยะประเพณีทั้งหลายโดยการพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้แสดงออกมาในรูปของความ อ, อดโยนและปฏิบัติตนเป็นคนซื่อตรง โดยใส่พื้นฐานจิตที่กรอบด้วยอธทส a คือความไม่เปลีย่ยนแปลนความไม่ประทุษร้ายและอวิหิงสาคือความไม่เปลีย่ยนแปลนซึ่งหมายความว่าในกา ร, รปฏิบัติเนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอารมณ์เรื่องราวต่งตางๆมากธรรมะทั้งหลายเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ซึ่งกระทบกระแทกมาจากข้างนอก กษัตริย์จะต้องมีตะปะคือความเพียรที่จะอดกลั้นจะอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นให้มากซึ่งก็ต้องมากกว่าสามัญชนแนื่องกติโบรานั้นพูดเอาไว้ว่าทุกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนแต่ละท่านที่จริงก็มีกิเลสก็มีมานณแต่สชยจิตสำนึกที่จะเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็น ไม่่าจะถูกสมมติบัญญัติแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ตามก็พยายามเป็นให้ดีที่สุดตามการตามโอกาสที่ถูกกำหนดให้เป็นเพราะเราจะพบว่าชื่อเสียงเรียงนามของความเป็นพุทธบริษัทโดยรวมทรงใช้คำว่าพุทธบริษัทแปลว่าคนณะหมู่พวกกลุ่มของผู้รู้ หรือกลุ่มคณะบุคคลที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสนาชี้พึ่งีิระลึกก็จะต้องเกิดมาณะคือความจหนกว่าเราเป็นพุทธบริษัทอาการกริยาอันใดที่เหมาะี่ควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทก็ต้องประพฤติปฏิบัติในอาการกริยานั้นๆลักษณะโดยรวมก็คือการพยายามที่จะ พัฒนาปัญญาของตนเองให้สูงขึ้นจนสามารถลดละกิเลสประเภทโมหะให้เจือจางบาบางลงไปเมื่อโมหะก็เจือจางโลภะโทสะก็จางตามไปใจของบุคคลก็จะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้ น, นที่ด้านเรียงเป็นรูปศีลสมาธิปัญญา นั้นเป็นอาการของความสะอาดความสงบและความสว่างที่เกิดขึ้นภายในจิตความสะอาดนั้นแสดงออกมาทางกายกระทางวาจาคือสะอาดกายกับสะอาดวาจาไม่ใช่กายวาจาไปในทางทุจริตผิดศีลธรรมจนถึงกับร่วงเกินชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่นหรือว่าพูดเท็จพูดสอดเสียพูดคำหยาเพูดเดี่ยวไร ในสะอาดทางวาจาก็ควบคุมวาจาโดย น, ยนัยัดดังกล่าวไว้และก็พยายามให้เกิดความส ง, งบขึ้นภายในใจโดยการปฏิบัติระดับสมาธิกรรมฐานทำใจตนเอนให้ส ง, งบจากนิวรณหรือสยบนิวรณไว้ไม่ถึงก็เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมดนิวรณ จะมีปัญญาสว่างสวยรู้เหตุรู้ผลสามารถวินิจฉัยตัดสินสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง แ, แสดงว่าในขณะนั้นใจก็บริสุทธิ์ตามสมควรแก่ฐานะจะได้สัมผัสความเยือเกเย็นความสงบที่เป็นผลมาจากกิเลสซึ่งลดลงไปจางลงไป และใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้จะทำให้มองสิ่งทั้งหลายในโลกก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตโดยมีปัญญาเข้ากำกับและเห็นประจักษชัดในขณะนั้นๆสรรพสัตว์หรือสรรพชีวิตทั้งหลาย จะใช้ปัญญาพิจารณามองในแง่ของความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะมองคนอื่นด้วยเมตตาเวลาพูดก็มีคําพูดที่กรอบด้วยเมตตาเวลากระทําที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นสัตว์อื่นก็จะทำด้วยเมตตาซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่เบียดเบียน ประทุษร้ายบุคคลอื่นในระดับของการละเมิดศีนนะครับในสิ่งของที่ไม่มีจิตวิญญาณเพราะปัญญาพิจารณาสดสองมองเห็นเึงความจริงเกอการยอมรับนองถือสิทธิในทรัพย์สินสิ่งของหลอดนั้นก็จะควบคุมใจเอาไว้ไม่ถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่น จึงหมายความว่าใจนั้นได้ถูกควบคุมไว้ด้วยปัญญามองสิ่งมีชีวิตด้วยเมตตามองสิ่งไม่มีชีวิตด้วยอโลภะ้วยความไม่รบจนสามารถพัฒนาจิตออกไปโดยแสดงเมตตาทางกายทางวาจาจนถึงทางใจออกไปคือสะท้อนใจปฏิบัติตนเป็นกา ร, รกูอคูลแก่บุคคลอื่นและการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือขอนไถ่ด้วยกาย หรือว่าช่วยเหลือคนวายด้วยวาจาหรือแม้แต่ตั้งความปรารถนาด้วยใจที่จะเห็นคนสัตว์เหล่านั้นดำรงชีวิตจะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เปลี่ยนเปลี่นกันไม่ปะตุสรายกันให้แต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะในกรณีของทรัพย์สมบัติของคนอื่น น อ, อกจากจะไม่ดวงละเมิดแล้วเห็นเขาทำของหายหกตกหล่นตนไปประสบมาก็นำไปคืนให้นำไปมอบให้แต่บางครั้งบางคราวเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลอื่นจนอยู่ในวิสัยได้ช่วยเหลือคือกุลได้ก็สละให้ปันแกบุคคลเหล่านั้นตั้งแต่เห็นว่าอาการทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการทางจิตที่มีปัญญาเป็นหลักควบคุมอยู่ ใจบริสุทธิ์จากกิเลส ท, ที่หยาบหยาบจนมองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยเมตตามองสิ่งของด้วยความไม่โลภแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้นนี้ด้วยจิตสานึกว่าเราเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เราก็ต้องพยายามทำตนเป็นผู้รู้พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็พยายามทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ พระเจ้า ท, ทรงประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ก็พยายามทำใจของตนให้ปรกอบด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์เป็นการโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนธรรมะในลักษณะในลักษณะที่สร้างสํานึกที่เราเรียกว่าสัญญาคือจิตสํานึก โดยเริ่มต้นมาจากความเป็นชื่อเป็นความเป็นอุบาสกบาสิกาเปลียผู้ใกล้ชิดพระราชนาฏไกลผู้นั่งใกล้พระราชนาใจมีลักษณะคล้ายๆกับราชภัน ล, ลบของประมาคษาถึงหมายความว่าจาเป็นจะต้องปฏิบัติคล้อยตามองค์ประมาคษาในสร้งภาพในทางลบต่อสถาบันประมากษา เพราะว่าเมื่อราชภัรธ์ลบทำอะไรบกพร่องไปก็กระทบกระเทือนถึงสถาบันประมาณกันสัตย์การปฏิบัติของความเป็นพุท ธ, ธะในระดับอุบาสกบาสิกาแต่ผู้ใกล้ชิดพระรัตนาไตรก็มีลักษณะเช่นนั้นถ้ามีการประพิพฤติก ร, รรมที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสก็มีผลกระทบต่อพ ร, รัตนาไตรคนจะตั้งปัญหาสอบถามมณีหรือชาวพุทธ นี่หรือบาสกนี่หรือบาสิกาในพระพุทธศาสนาแต่กำหนดกฎเกณฑ์ที่ส่งวางไว้นั้นไม่ใช่ลึกซึ้งขนาดจะต้องเป็นภิกษุคือเป็นนักบวชไปแต่ขนาดที่เป็นชาวบ้านที่เราเรียกว่าอุบาสการัตตนะคือเป็นบาสกแก้วบาสิกาแก้ว เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับศีลธรรมจัญญาจนถึงมีความประนีตในด้านจิตใจเกินไปอันที่จริงก็คือเรื่องการสะท้อนปัญญาความบริสุทธิ์และความเมตตากรุณนานั่นเองแต่เป็นการสะท้อนออกมาได้ระดับหนึ่งคุณสมบัติที่ทรงกำหนดเอาไว้นั้นก็มีเพียงจริงๆแล้วเนี่ยมีเพียงสองประการแต่ว่านับโดยข้อแล้วก็เป็นห้า อีกสมข้อหลังเป็นการพิสูจน์คุณภาพจิตว่าอยู่ในจุดนั้นได้หรือเปล่าคุณธรรมที่เป็นหลักก็คือเรื่องศรัทธาแต่ ก, การน้อมใจเชื่อการปรงใจเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมและการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนถ้ายังมีความเครียดแกรงสงสัยมีความสับสนอยู่ก็จับหลักที่ตถาคตโพธิศรัตธา คือเชื่อการศัจสรูของพระพุทธเจ้ากาหนดไว้ภายในใจว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าส่งสัสรูและทรงสแสดงไว้อย่างนี้เราไม่ได้ศัจสรุเราก็เชื่อตามที่รพระเจ้าสรงสแสดงแต่ฐานที่จะให้เกิดปรุงใจได้อย่างนั้นก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณที่สวดสรรเสริญกัน และศีลว่าเป็นคนมีศีลได้แก่เจตนาวิรัต์งดเว้นไม่ร่วงละเมิดตําบทปัญญิของศีลทั้ง5ประการแต่ตั้งใจสํารวมระวังไม่มีการละเมิดเพราะการตั้งใจนะั้นเป็นช่วงสั้นๆเป็นการสมาทานศีลก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีบางทีก็สี่นาที ในช่วงการสวบรวมระวังนั้นกินเวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรืออาจจะเป็นหลายหลารปีปรการรวารวมระวังจึงกลายเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยสติสมัชัญญเข้ามาควบคุมจนาการเคลื่อนไหวการพูดการกระทํานั้นเป็นปกติที่เรียกว่าปกติกายปกติวิาจาไม่มีการทําการพูดที่เป็นการเบียดเบียนรัตุสร้ายต่อบุคคลเดิม จนบุคคลผู้นั้นสามารถสัมผัสความสงบเย็นด้วยอำนาจของศีลได้แล้วเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายเพราะศีลนั้นทรงแสดงว่าศีลังบลังอัปติมังศีลเป็นกำลังที่หาที่เปรียบไม่ได้ศีลังอาวุธสรมุตมังศีลเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยม ดิลังอาภาระนังเศษตังศีลเป็นเครื่องประดับที่ประเสริฐสุดศีลังกวาจะมัปุตังคือศีลเป็นเกราะป้องกันพยายนอันตรายที่อันศิจ จ, จากความเป็นผู้มีศีลนั่นเองก่อให้เกิดความสงบเย็นขึ้นมาภายในอันเป็นผลที่ปรากฏแก่จิตซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติสรวมระวังอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจะสามารถสัมผัสได้ เมื่อมาถึงจุดนี้ก็ชื่อว่าใจมีหลักใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวคือความเชื่อต่อการศัสรูของพระพุทธเจ้ากิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายโลภะโทสะหรือโมหะก็ตามก็สงบลงไปในระดับที่ไม่แสดงออกมาข้างนอก แภายในใจก็คงมีอยู่เพียงแต่วความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นได้ลดน้อยถอยลงจิตใจที่มีความผ่องใสด้วยอำ น, นาจของศรัทธาที่อาศัยการน้อมใจเชื่อต่อการสาูของพระพุทธเจ้าก็นำห้จิตของบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่มีความเชื่อในกฎของกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว แต่เชื่อในกฎเกณฑ์ของกรรมทาให้มองที่มาของบุญโดยเฉพาะระดับฐานเพราะจําจเป็นจะต้องมีฐานคือการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเป็นหลักเพรา ะ, ะนั้นคนเหล่านี้จึงจะสแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา ด้วยคุณธรรมเหล่านี้เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะสร้างจิตสํานึกว่าเราเป็นอุบาสกเราเป็นอุบาสิกาอุบาสกบาสิกาที่ระดับรัตนะทั้งหลายในอนดีตจนสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้เราก็ต้องทําให้ได้เราจะเห็นว่าเป็นอาการที่ขึดสู้เป็นอาการของมานะ แต่จะต้องพยายามทําให้ได้ทําให้ดีทำให้เป็นเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเป็นให้ชอบที่จริงก็เป็นอาการของกิเลสระดับหนึ่งอย่างที่เคยบอกไว้ว่ากิเลสนั้นมีลักษณะเหมือนจรวดที่จริงเราก็ต้องอาศัยเขาเช่นจะไปนิพพานก็ต้องอยากไปนิพพานแต่เมื่อถึงนิพพานก็ต้องหยุดอยากถ้ายังอยากอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงนิพพาน พันตัวอยากจึงเหมือนกับจรวจที่เป็นพลังในการส่งผลักดันให้ก้าวรุดไปขนณะที่สงใช้คำว่าอาศัยตันหาละตันหาโดยการเปรียบไปเห็นมันยานภานะที่เราต้องอาศัยคำฝากก็ในขณะที่จากฝั่งหนึ่งเพจะไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องอาศัยยานภานะแต่พอถึงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อปรารถนาจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งยานพานะ เอาไปด้วยมันก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ถ้จาจะตานขึ้นฝั่งก็ต้องไม่เอาอยานภานะไปดังนั้นการปฏิบัติทุกขั้นตอนจึงต้องมีกิเลสตัวทรงอยู่แต่อย่าทิ้งไปโดยลำดับอย่าได้เคยยกตัวอย่างที่พระปุณณมันตนีบุตรท่านยกตัวอย่างเหมือนกับการเดินทางโดยรถก็เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ในขณะช่วงอาศัยก็อาศัยถึงจุดหมายปลายทางระดับหนึ่ก็ต้องทิ้งรถนั้นไปขึ้นรถใหม่ขึ้นรถนั้นไปอาศัยไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องชิงแล้วก็ขึ้นใหม่เพราในช่วงแต่และช่วงรถก็กลายเป็นเครื่องอาศัยแต่เมื่อถึงคราวทิ้งต้องทิ้งแต่ยังไม่ยอมทิ้งรถก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว้บางครั้งท่านยังเรียกธรรมะเป็นยาน เป็นธรรมยานเป็นพุทธยานยานภาณะที่เป็นเครื่องอิงอาศัยความเป็นพระพระเจ้าจะมีชื่อเรียกซึ่งแต่ละชื่อนั้นท่านสาาณชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นการสะท้อนธรรมะทั้งนั้นเชื่อภิกษุเป็นการสะท้อนสภาพความรู้สึกภายในจิตใจว่าเป็นคนที่มองเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ให้ปรารถนาที่จะทำตนหลุดรอดจากความทุกข์ในสังสารวัฏ่านั้นและกลายเป็นบันปรปชิตคือเป็นผู้ติเว้นบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อาการกระทำเหล่านั้นก็กลายเป็นสมณะแปลว่าผู้สงบสงบก็คือการสะท้อนธรรม สะท้อนอะไรสะท้อนการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรอย่างที่เราสวดสรรเสริญกันปฏิบัติถึงจุดเดื่องทั้งก็สงบเป็นการสงบทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจการพูดการทำการคิดยังมีอยู่แต่ไม่มีการพูดการทำการคิดที่เป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายบคุคคลอื่น การที่ทรงแสดงไว้ในสับริษธรรมคือธรรมะของผู้สงบหรือของสัตว์ปรุษลดมันจะทําอะไรก็ไม่เป็นการกระทําที่เบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นจะพูดอะไรก็ไม่พูดเบียดเบียนตนในบุคคลอื่นจะคิดอะไรก็ไม่คิดเป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นจะปรึกษาอะไรกับใครก็ไม่ปรึกษาที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่น คือใ น, นความสงบนี้ก็เกิดขึ้นโดยธรรมดัทรงสอนให้ตระหนักว่าภิกษุทั้งหลายหมาชนเรียกร้องเธอทั้งหลายว่าเป็นสมณะแรีพูดสงบเธอทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมีคนอื่นมาสอบถามว่าท่านเป็นใครพวกเธอก็ตอบว่าเราเป็นสมณะ ผลเมื่อคนอื่นก็รู้ว่าเราเป็นสมณะและเราเองก็ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะพราะอาการกริยาอันใดที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นสมณะก็ต้องประพฤติปฏิบัติได้เหมาะควรแก่ความเป็นเหล่านั้นนังจากหลักจิตสํานึกเหล่านี้อันเป็นอาการของมานะที่ไม่รุนแรงือหมายความว่า ไม่ถึงก็ไปดูหมิ่นคนอื่นหรือประทุษร้ายบุคคนดื่นแต่เป็นจิตสำนึกเป็นมโนธรรมสำนึกที่จะให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ความเป็นและจากโครงสร้างเหล่านี้เองเราจึงพบคำสอนในแนวที่สะท้อนมานะที่ควบคุมได้รายเป็นจิตสำนึกที่จะต้องรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ที่ตนเป็ด ็นต้องแสดงไว้ในชิตหกใ้สิงคาโลวาที่สุดเป็นพระวาที่สอนในแนวของชิ ต, ตทั้งสี่เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็สำนึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่อันใดที่พ่อแม่ที่ดีของบุตรทิดาจะพึงประพฤติกระทำก็ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นหน้าที่ของลูกชิต ด, ดีสามีพัญญาชิต ด, ดี ลูกน้องที่ดีนายที่ดีมิตรที่ดีถายกธียกาและสมณะที่ดีก็ให้ประพฤติปฏิบัติต่อกันตัวอย่างเช่นการเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะควรเก่ความเป็นพุทธบริษัทระหว่างตนเองกับ สมนาราบคือภิกษุสามนเนรกระทรงกําหนดเป็นพื้นฐานหมายความว่าชาวบ้านหรือคนนอกศาสนาเป็นคนที่นับถือพุทธคริสต์อิสลามนับถือคริสต์อิสลามนับถืออินดูนับถือเชนนับถืออะไรก็ตามเขาจะเบียดเบียนเขาจะด่าว่าเขาจะใส่ร้ายเขาจะประทุษร้ายต่อภิกษุในพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นนักปวดในศาสนาเราพัธานธุ์ใจที่จะพึงมีก็คือว่าให้มองกันด้วยเมตตาสงสอนเรื่องเมตตาทางใจถวานเกิเมตตากายกรรมวาจีกรรมมนโนกรรมพระดวยสถานะของความเป็นสพุธ จะต้องมีความรู้สึกต่อภิกษุในพระพุทธศาสนาหน้าที่ตอนก่อนนั้นเป็นหน้าที่ส่วนตัวหน้าที่ตอนนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตนต่อคนอื่นต้องให้มีพื้นจิตที่กรอบด้วยเมตตาจะทำอะไรทางกายก็ทำด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาและมีความพร้อมที่จะสงเคราะห์ด้วยจตุปัจจัย เมลาท่านมาสู่สำนักของตนก็พร้อมที่จะยินดีต้อนรับด้วยอัตยาใยเมตตรีภิกษุเองก็ท่งสอนให้เกิดเรียกว่าสา ม, มันสัญญาคือความสำนึกพราชีวิตของเรานนเนื่องโดยคนอื่นเด่ตุปัจจัยทั้งสี่ประการนั้นมีความเกี่ยวเนื่องมาจากคนอื่น ชาวบ้านคนสง่งเคราะเราด้วยอมิตรคือวัตถุสิ่งของเราก็ต้องสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยธรรมสแสดงซึ่งจิตสํานึกที่กรอบด้วยกตันดูก็คือเป็นปัญญากตัญดูที่เกิดขึ้นนั้นขจัดความเห็นเกิตัวขจัดความไม่รู้บุญคุณคนออกไปใจก็บริสุทธิ์ในจุดนั้นจะเกิดมีเมตตาไมตรีต่อคนที่ มีอุปกรณต่อบโต้ก็แสดงออกไปโดยการท่ามปรามแนะนำสั่งสอนไม่ชาวบ้านทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามพยาไม่ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่แจ่มแจ้งกอทีบายแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้เกิดคนดอ น, น การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ในฐานะที่จิตสํานึกว่าเราเป็นสมณะจะต้องแสดงเมตตาจิตต่อชาวบ้านเป็นเมตตาที่เป็นพื้นฐานนั้นอย่างหนึ่งแต่เป็นการแสดงจิตสํานึกที่กรอบด้วยกตัญญูกัตวเวชีประการหนึ่งแต่อย่างนั้นผึงสังเกตว่าที่จริงก็มีมรณะอยู่ทั้งนั้น มีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ประเด็นสําคัญที่ทรงเน้นย้าก็คือเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วเป็นให้เป็นเป็นให้ชอบในขณะเดียวกันก็ไม่ยึดมั่นในความเป็นเหล่านั้นคือไม่ยึดติดไม่หลงความเป็นแต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสถานะของตัวเองให้เหมาะควรแก่การขับีเกี่ยวข้องกับกาลเทศะบุคคลกลุ่มคน ในกรณี น, นั้นซึ่งเราจะยึดติดอยู่ในความเป็นจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้แม้แต่ความเป็นเราก็เปลี่ยนไปตามคนที่เราเกี่ยวข้องเวลาที่เราเกี่ยวข้องการงานที่เราเกี่ยวข้องภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทำแต่ประเด็นสำคัญคือต้องเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นแล้วก็เป็นให้ชอบกรอบรู้สติสำไมจัญญาเป็นเครื่องคุ้มครอง เพียรพยายามเสริมสร้างจิตสำนึกรู้จักตัวเองที่เรียกว่าอัต ต, ต, อตันิยตตาต่อนนี้นิายก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป